เนี่ยมอแลงให้ลูกให้หลานเข้าวากันซะเนี่ยมุสายัางหลวงพอ่อจุงตายยังคอยไปชงซองเบื่องลูกเบื้องหลานไปฉันก็ต้มขนมแล้วก็เลือกลากกันวะเนี่ยมาแล้งให้พวกคณะัาติญาติโยมลูกหลานทั้งหลายทำพิธีหลวงพ่งงพอจะไปทั้งสองเทือทงบวชเรอเท่าเลยเด้อมีเขาเจ็ดสิบแปดสิบเลย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 บัดนี้เขาก็จะเอาไหวลัดได่มารวบร่วมเราทีจะมากได้ไหวลัดวัดนกไหวรัดวัดหมูไหวรัดเยอรมันไหวลัดห่องกงไหวรัดจีนไหวลัดไทยไหวลัดพม่าเขาควาละไหวลัดอินเดียเขาควานมาร่วมกันมากเขาในหลอดเดียวกันเพื่อป้องกันแต่ไหวลัดแนวอื่นๆื่นในระบาด อังกฤษอเมริกาดัชเชียลไวรัสมันหลแค่ยังไงบะางจํานวนมันกันเพรไรเพรไรเพราะมันกันได้แต่เฉพาะตัวที่ออกมาไซมันกันได้เฉพาะนี่แต่่าถึงอย่างไรก็การได้หลอยู่ดีกว่าบอฉีดอันนี้ก็การสุดแทนแต่เนอการฉีดไว้ก็ดีอันนี้ไวรัสกันแก้วัด เมือนี่ยพนชิมาฉีดให้แต่ว่าทั้งกรุงเทพเนอะเป็นวัดระบาดแต่เดิมเนี่วัดระบาดมันก็วัดถึงกับลมกับตายรอกแต่ก็บแนแหนกันนะวัดบางยางนะอันนี้ก็หมอพนชิมาฉีดยาให้แล้วก็สาล่ายใหญ่ของเฮาลงพอไปเบิงเมื่อวานเนี่ยมุ่งเกือบแล้ ว, ลวเลยะเมื่อเนี่คือเจแล้วล่ะ งานก็ไปได้เรื่อยๆ อ, อยกจะหน่อยกับมูช่ยช่วยกันเบิงกันเช็แล้วก็คงจะเกิดประโยชน์สำหรับวัดของเฮาแต่ตอนที่เห็ดเนี่ยมันหุ่งยากพราะชุ่มควนบว่างานหยังบว่างานหยัางละ่ะตอนเห็ดเนี่ยมันยากโซสิสแล้วได้มันก็เกิดประโยชน์อย่างซาลาหลังนี้ละ่ะที่เฮายูเดียวเนี่ย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 ว่าจะลดที่เขามากก็มัดมือมัดเว้นบุกขี่ตุงขี่โค่นเขามามันโมเมนถนนราดยางมาพักก็มาอยู่ในปา่าในดงอีกสร้างก็คือถอดบานอถอดเคื่อนอีก เ, ออเพอเพลยังบอกกินเหล่าขึ้ทะเลาะ ก, กันกับโบหูเนาะสร้างจากต่างบานต่างเมืองทะเลาะวิวาดกันหัวหลางคางแตกเข้าผู้เป็นหัวหนาววัดเท่ากัน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 แต่สําหรับวัดของเฮ้าเนี่ยหลวงพ่อก็คืดคืดกันว่าจิเฮ็ดจังไรมันจะพ่อมกขันเฮ็ดเข้าไปสั่งขึ้นไปขั้นสั่งล่องรับค้นเกินไปก็ดูดูก็ไล่อยู่ขั้นบอยสั่งจะเล่ยก็แออัดเกินไปก็กรไล่อยู่เพราะนั้นวัดเท่านี่จึงเบิงเบงถึงจะเป็นวัดระดับนี่ก็เถอะก็เป็นวัดที่ ค่อยค่อยเป็นค่อยไปหลวงพ่อว่ดระับคอยเป็นค่อยไปได้วัดเท่านั้นกันมันเต็มแล้วก็ค่อยขยับออกคือกันกระพังตอห้างแตนสิ่งที่เฮ็ดข้างตอห้างแตนห้างเพิงขึ้นกันก็มันหลูกหลายมันก็ขยายห่างออกแตนตอแตนขึ้นกันมันหลูกมันหลายมันก็ขยายห่างออกเท่าที่จาเป็นบมเมนที่สั่งบเปลือบปราดเกิดความจําเป็น หั่งยืนออกมาบหาพผงอยู่สองสามโตมันก็คงจะบวเหตุทางสันอันนี้คือกันวัดเท่าแต่ว่าซาล่าหลังนอกเนี่ถ้าจะว่าไปรเรืมก็เพิงก็คือก้ากระโดดพ่อทรงควรนเลหลวงพอบวแมนหลวงพอบกขึดหลวงพอก็ขึ้นคือกันว่าซาล่าหลังหนอกเนี่เก้ากระโดดแต่ว่าถึงอยองไรก็ตามท้าว่าผูกไม่เห็นเหตุการณ์จะเป็นงานกระถินกด็ดีงาน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 ตั้งแต่เกิดมาพอแม่ก็คยหาฟืน้นเขามากขายในเมืองสมัยก่อนมันบ่มีรถ10หล่อรถ6หล่อรถปิกอัพจังคู ม, มือนี้มันมีแต่ลอกรับลออเกวียนโดยมากเกวียนใส่ง่วนสองตัวแล้วก็เที่ยมแล้วก็นขนฟืน้นมากขายปวกใด ส, สื่อได้ก็ขายฟืน้นปกอยู่ในเมืองทำมาหาเลี้ยงชฉี่ผมว่ามีโอกาสที่จะไปหาฟืน้น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 แสดงว่าขี่หลบเติบยุคลงพอวานะเห็นงัวสทีนักมันบวารนไปนี่ขึ้นไปรีกีเกียร์นี่ไปแบกเซบาไอีกก่อนึ่แบกฟื้นเซบายอีกมันยังร้องเพลงอีกได้ป่ะนี่อสนุกสนานอีกร้องเพลงพันตลาดเข้าไปพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ใพระเจ้าแผ่นดินบันนอกคือกันณ์นะวะเพิ่นเกิดบางที่เพิ่งเกิดนั่งข้อสร้างมาเป็นขบวนมาก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 ทั้งทีจะมีความทุกข์ยังลองล่ำทําเพลงอีกทางหากเล่าก็เลยแปลกใจก็เลยเอือนมาถามเลยละเป็นอะไดการข่องฉีบการทํามาค้าขายขายฟืน้นได้กำไรไหมกับพ่อเลี้ยงฉีบได้ยู่ครับได้ деся? พ่อได้เก็บอยู่ครับแล้วแต่แกหาเงินมาได้แกแกเอาไปเฮ็ดอย่างไรแด่แล่ะเมื่อได้เงินแล้วะ ทางตุกตานี่ก็บอกว่าผมแบ่งเป็นชวนๆครับนั่นแหละแบ่งเป็นชวนๆแบ่งจังไรอันนึง่งชวนหนึ่งกับแบ่งไปบูชาเทวดาครับ อ, อ่แต่ก็ชวนหนึ่งเอาไปทิมลงแม่น้ำสมุทรทะเลครับอืมชวนหนึ่งก็ไปเอาไปฝังดิน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 ไม่เป็นใรไปหายให้หงูหองงูสาเกินเอาไปนั่นจะไปหาหาเงินมากดอดก็เดี๋ยวนี้ไปหาทิมล้งหนาหมหาสมุทรทะเลอธิบายให้เข้าฟังดูเข้ายัางบอเข้าใจในเรื่องเนี้พออธิบายให้ฟังเข้าฟังได้ไหมได้พระเจ้าข้าเอาว่าวงนบูชาเทวดาขึ้นอย่างคือผมหาเงินมาได้ผมก็แบงแบงอับไปบูชาเทวดาก็คือให้พ่อให้แม่พ่อแม่น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 ย่ำมึกเบ็นย่มบัวใดเก็หาความสุขบว่วใดพ่นกลู่เมียเขาขาดแค่นการเป็นอยู่ของเขาบวได้รับความสะดวกสบายก็เมื่อนกับหู้เฮาหู้สาเนี่ยตอดหูตอดตาจะตลอดผมก็ต้องได้แบงให้เขาอ๋ออือพระราชาเข้าใจเข้าใจเออเอาการดำเนินชีวิตอย่างนี้ถูกต้องแล้วทําทำต่อไปนะ ทำให้ถูกต้องสมําเสมอนะแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญาที่เดียวเนี่ยอันนี้คือพระราชาพันถามการข้องชีพของราชดอนของเพิ่นจากนั้นเพินก็เลยเอาทุกขตาของเขาไปเป็นเสนาอมาตผู้หนึ่งเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ซอยราชาการงานเมืองของเพิ่นในระดับหนึ่งเพราะแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้หน่ หูจักแบ่งสายแบงคว้าแบงหนาแบงหลังหูจักการใส่สอยหูจักการจัด ก, การกับทรัพย์สมบัติของตัวเองทำอย่างสิ่งทำึรงที่เราถูกต้องไปปราไ่ชาญ ย, ยอมรับถูกต้องทำอย่างสิ่งนี่แหละอันนี้คื อ, คอท้ำค่ำสอนมาในพระไตรปิฎกจว่าชาดกชาดกเป็นตัวยางเป็นเรื่องเล่า ที่ผัวเข้าจะต้องได้ศึกษาถึงจะผวกเข้าจะบวชถ้ำจังชานเปี้ยมันก็เป็นแนวท่างขึ้นกันถ้าตามไม่จริงมันก็เป็นแนวท่างยางดีขึ้นกันการสอะะแสวงหาทรัพย์มาแล้วก็ใส่ลุยชุยแชกเขามือใส่ออกมือควา้าเพาื่อนสุดพ่อมัดเงินเขนะานี่ยนะก็อซอไปหาผู้นั้นก็อซอไปหาผู้นี้ไปหาพีหาน้องหาพอ่อหาแม่ หาว้งสาค้านายาดทให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปหมดทั้งที่ตัวเองกันนาที่การงานก็เพาะเป็นไปได้อยู่เชียงเหล่านี้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าตัวเองบริหารจัดการกับตัวเองบ่ได้นี่แหละเขาว่าไปเรียนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจธุรกิจธุรการพ่อเฮี้ยนเขาบ้านอะไปทําการทํางานบริหาร ของเขาเพ้อเพอเจ่งของเขาอีกต่างหากเพราะบงจักการบริหารน่ะขนาดบริหารเจ้าของก็ยังบริหารบ่ได้เงืนเดือนของเฮ้ามือนึ่งได้เท่าไรเดืเอนนึ่งได้เท่าไรแล้วก็หารเป็นมือมือหนึ่งได้เท่าไรเฮ้าสีแบงจะได้เงื่นเดือนของเฮ้าของเฮ้ามือนิงอะเฮ้าสีแบงจะไหนค่าน้ำค้าไฟค่ารถ คาโทรศัพท์คาหลุกไส้หลุกสาไปเห็นหนังสือคาเทิมคาแม่บ้านทำอาหารเลี่ยงขอบขั้วึ่งรอหนีเห้าก็ตตองหูจักมัดคือกันว่าการบริหารจัดการในขอบขั้วของเข้านี่ใส่จังใดแต่สรุปเราจาให้มันเกินคันเข้ากี่คานหาเห้าก็ต้องใส่ประหยัด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 ผมมีผีมีน้องผมมีพักมีพวกคือเราเพราะว่าเข้าเก็บไปหลายแต่การนั้ว่ามีอะไรใส่มัดข้นก็ชอบและแต่แต่ว่าต่อไปพ่ายภาคนาล่ะเวลาเจ็บไข่ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข่ได้ปว่วยล่ะเข้าจะเอาเงินใสมาดูแลพ่อแม่มานดูแลผู้กเกี่ยวของมานดูแลเจ้าของมาดูแล ก, กิจการของเจ้าของเพราะผมมีเงินเก็บจะเลย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 สถานะและการว่างจิตว่างใจของเจ้าของกานว่างจิตว่างใจถูกแล้วนั่นแหละความเจรความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเข้าทุกมูทุกเหล่านะมือในให้แน่วความคิดแน่วหนึ่งสำหรับพวกลูกหลานอตอนนี้ไปรับพร น, นะน้ำาวานในหน้า